พระอาจารย์ครับกลับมาพิการครับผมจเจริญพรท่านบอกว่าท่านทั้งหลายก็มีความสุขมีความสบายใจกันครับพระอาจารย์ครับกล่าวว่าคุณครับขอตอบแทนเพื่อนๆครับอ <c oughs> <c oughs> าจารย์ครับวันนี้ผมผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าครั้งหนึ่งครับอาจารย์ผมเคยขึ้นไปบนเขาแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์เทศอ่ถึงธรรมหมวดหนึ่งชื่อสันเลขาธรรมวันนั้นผมฟังแล้วผมประทับใจมากเลยแล้วก็รู้สึก สงบเย็นมากเลยครับพระอาจารย์ครับผมก็เลยจะขอโอกาสจากความเมตตาพระอาจารย์นะครับเล่าเรื่องสันเลบธรรมให้เพื่อน เ, อ น, เอนได้ฟังบ้างครับผมกลับจากความเมตตาครับสันนิบธรรมนี่มีสิบประการด้วยกันถ้าเราทําไม่ขึ้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนให้พระภิกษุเวลาสนทนาธรรมกันให้สนนาธรรมเหล่านี้ ก็าเป็นธรรมที่ขัดเกลากิเลค ข, ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบอยสุดเหมือนกับหมอถ้าหมอคุยกันก็ให้คุยเรื่องวิธีกำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ใช่ไป ค, คุยเรื่องที่เที่ยว ท, ที่นั่นที่นี่ไม่เกิดประโยชน์นั้นธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุเวลาพบปะ ก, กันสนานาธํรมกัน เพื่อให้พูดเรื่องสันเลยกธรรมสิบประการข้อหนึ่งก็คือมักน้อยมักน้อยในปัจจัยสี่สำหรับพระภิกษุพาภิกษุนี้ไม่ควรจะมีใายมากเกินความจำเป็นให้มีมักน้อยอาหารก็ให้ถือทุรงควัตคือชั้นเมื่อเดียวชั้นในบาทบินระบาทเป็นวัด ไม่ไปเสื้ออาหารมาไม่ไปเลือกสรรอาหารตามความต้องการของความอยากให้ยินดีตามที่ได้มาจากการบึงจับบาตรได้มาแล้วก็เอาอาหารใส่ไปในบาทไม่ต้องไปวุ่นวายกับภาชนะต่างๆไม่ต้องไปแยกแยะว่าต้องเป็นของหวานของข้าวหรืออะไรต้องแยกกันอันนี้ให้ใส่ไปในบาทรแล้วก็ ชนันมือเดียวพอแล้วสำหรับความต้องการของร่างกายมากน้อยก็คือให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นที่จะต้องมีในการดำรงชีพของพระก็มีอาหารก็ แ, แค่วันละเมือเ้อพอออันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยสิที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องนุ่งห่มก็ให้มีผ้าไต่หนึ่งชุดก็พอผ้าสามผืน ผ้าหนุ่มผ้าหม่สมสองห่มสองชั้นเป็นห่มกันหนาวห่มชั้นเดียวไปห่มผมเรียกว่าผ้าจีวรผ้าที่ผ้าไหลที่เห็นยากที่ยากโยมเห็นผ้าผ้าไหลนั้นเรียกว่าผ้าสังขติเป็นผ้าห่มกันหนาวท่านมักจะไม่ห่มพร้อมกันทั้งสามผืนท่านห่มสองผืนอีกผืนหนึ่งท่านใช้เวลาที่มีอาการหนาวเย็นถึงจะห่ม สำหรับเรื่องของเครื่องนุ่งผมก็ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นสําหรับญาตโยมก็อาจจะเอาแค่สองสามชุดก็พอสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะญาตโยมผู้ปฏิบัติธรรมชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สํารองเผื่อเกิดซักเรายังไม่แห้งเป็นต้นคิดว่ามีสามสามชุดก็น่าจะพอถ้าก็มีผ้าด้หนึ่งชุดหนึ่งสำลกสักล 3, 3ก็พอ ที่อยู่อาศัยก็ให้หาตามมีตามเกิดสมัยพุทธกาลที่าศาสนายังไม่เจริญโรงเรียนไม่มีคุติไม่มีวัดให้อยู่ท่านก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรื่อมพา้าอยู่ตามถ้าเป็นต้นเราจรึงมักจะมีวัดถ้าวัดเขากันเพราะนั้นก็คือที่อยู่ของพระปฏิบัติธรรมปฏิบัติสันเลกระทามท่านจะอยู่กัน ท่นจะหาที่อยู่ในป่าในป่าช้าในป่าที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของสถานที่เป็นที่สงบสงบัดพิเวกอันนี้ก็เรื่องเรื่องของที่หลิวอาศัยยารักษาโรคท่านก็รักษาตามแผนโบราณสมัยโบราณนี้เขารักษาโรคโดยการเอาน้ําปัสสาวะนี่มาดองกับสมอก็เเรียกว่าเป็นยาดองน้ํามูด เวลาเจ็บไข้ได้ปวยปวดท้องปวดศีสต์หรือปวดอะไรก็เดือมมันก็พอจะยยวยาโกไภัยไข้เจ็บไปได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปรบ ก, กวนหมอไปขอความช่วยเหลือจากญาติโยมให้ช่วยหายาหาอะไรต่างๆมาปฏิบัติในสมัยนั้นท่านท่านยอมตายกันท่านก็เยไม่ค่อยมาคัวลกับเรื่องโรคไข้เจ็บ รักษาไปตามสภาพอันนี้คือความมักน้อยในปัจจัยสีที่จะทำให้พระไม่ต้องมากังวลกับเรื่องปัจจัยสีมากจนเกินไปจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ขออ้อ2ก็คือความยินดีตามมีตามเกิดที่เราเรียกว่าสันโดษ ทำมีมากน้อยแล้วก็มีสันโดษสันโดษนี้ยิ่งกว่ามากน้อยสิคือให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะไม่ไ ม, ไม่ไม่พอต่อความต้องการก็ไม่ให้ไปดิน้นรนไม่ให้ไปทุกข์ไปวุ่นวากับการหามาเช่นนะ่ะบินตลาดบางวันอาจจะได้แต่ข้าวเปล่ า, ปาเป็นต้นประวัติหลวงปู่มั่ น, นท่านมีการเล่าให้ฟังว่าท่านไปอยู่กับชาวปลาชาวเขา เขาก็ใส่แต่ข้าวเหนียวใส่แต่ข้าวมาแล้วก็มีผักแล้วก็มีน้ำพิกอะไรปาล่าให้บางทีก็ไปเจอปาล่าดิบท่านก็ฉันไม่ได้พระต้องฉันของที่สุกแล้วมันก็ฉันข้าวเปล่าฉันไปกับอะไรที่มีฉันได้ท่านก็ฉันไปฉันเพื่อทําให้นางกายไม่หิวก็ผ่อนไม่เป็นปัญหา นี่คือสันโดนให้ยินดีตามมีตามเกิดมีที่ไหนอยู่ได้ก็ก็อยู่ไปตามมีตามเกิดปัจจัยก็คือจีวรถ้าขาดไม่พอก็ยินดีไปตามมีตามเกิดไม่ไปรบกวนใครไม่ไปขอใครรอโอกาสเดี๋ยวมันก็มาเองไม่ไม่ช้าก็เร็วนะฮะคื อ, ค, อคือถ้าตัดปัญหาเรื่องความวุ่นวายใจกับการ หาปัจจัยสิถ้ายังพออยู่ได้พอถูทยไปได้ก็ถูทถยไปเรียกว่าสันโดษมีตามมีตามเกิดนี่คือข้อที่สองของธรรมของผู้ที่ต้องการจะขัดเก้าพิเลนให้หมดไปจากใจพิเลนมันชอบมากชอบได้ของ ม, องมากชอบของหรูหราชอบของสวยๆงามๆ ทางสายปฏิบัตินี้ท่านให้ดูผลให้ดูเหตุผลของการใช้สอยของสิลป์นี่ไม่ต้องสวยต้องงามผ้าสมัยก่อนก็ให้ไปเก็บผ้าหอศพมาทำเป็นผ้าจีวรสมัยแรกๆนี้ไม่มีการถวายผ้าผ้าต้องหาผ้ากันเองก็ไปหาผ้าที่เ็าใช้หอศพแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชาให้เน่าเปื่อยให้ผุพังไปนะ ผ้ายังใช้ได้อยู่นั่นก็เก็บผ้าเหล่านั้นมาซักมาย้อมแล้วก็ามาตัดมาเย็บมาต่อนี่คือความมากน้อยสันโดษของผู้ปฏิบัติธรรมลังจากนั้นข้อที่สามก็คือไม่ให้คุกคีกันให้แยกกันอยู่ไม่ให้มาสังคมกันไม่มาจับกลุ่มคุยกันสนทนาเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ให้แยกกันอยู่ไม่คุกรีกันเพื่อจะได้บําเพ็ญทำได้อย่างสะดวกคือการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเป็นต้นจําเป็นจะต้องไม่คุกคีกันไ ม, ไม่เกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวข้องเฉพาะเวลาที่ทํากิจที่จําเป็นจะต้องทําพร้อมกันเช่นการเป็นบินทบาทโดยการมาฉันหลังจากขับจากบินทบาทและพอเสร็จกิจที่ต้องทําร่วมกันแล้วก็แยก ไม่ให้อยู่ไม่ให้มาัจับกลุ่มคุยกันสังคมกันเรีกว่าไม่คุกคีกันข้อสี่ก็คือให้หาสถานที่สงบสงัดวิเวกบังเวงห่าไกลจากแสงสีเสียงต่างๆถ้าเป็นอยู่ใกล้พวกลูกเสียงกลิ่นรสดพอได้สัมผัสรับรูก้กิเลสก็จะโผ่อ ทำอย่างในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมายังต้องติดมิเวกไปอยู่ที่ไกลๆจากแสงสีเสียงเช่นไปทุดงในป่าในเขาอยู่ตามลำพังองค์เดียวอันนี้เป็นขั้นที่สูงกว่าการไม่คุกคีกันการไม่คุกคีกันนี่หมายถึงการยังอยู่วัดร่วมกันอ ย, อยู่ในวัดอยู่เป็นวัดป่าวัดเขาแต่ก็ต้องอยู่เพราะว่าต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนอบรม แต่พอมีอินทรีย์ที่แก่ก็พอที่จะไปปลีกวิเวกก็ไปชู้ยงไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกอันนี้ข้อที่สีไปปีกวิเวกเพื่อจะได้บําเพ็ญทำอย่างเต็มที่ร้อยเซตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะถ้าอยู่ในวัดก็ยังมีกิจกรรมที่จะต้องทําร่วมกันอยู่อะไรอาจจะทําให้เสียเวลาต่อการปฏิบัติ เในพาร์ทีท่านได้พรรษาแล้วท่านพ้นนิสัยอระนี้เวลาบวชใหม่ๆต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษาคนเขถือนิสัยของครูบาอาจารย์ก็คือถือนิสัยครูบาอาจารย์ทำอะไรก็ทําตามท่านเรียกว่านิสัยนิสัยของครูบาอาจารย์ก็มักจะเป็นนิสัยที่ที่ดีที่เราจะได้ยืดเหนี่ยวเป็นเอามาเป็นนิสัยของเราต่อไปเช่นการบินตบารการชั้นในบาศ การชันมือเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเอามาสอนแล้วก็มาฝึกฝนอบรมมเรียนเอามาถือเป็นนิสัยของเราพออยู่ได้ห้าพรรษามันก็จะนิสัยมันก็จะติดอยู่ในตัวแล้วที่ไปไหนมันก็จะไม่ทิ้งนิสัยนี้ก็ถึงเวลาที่ถ้าต้องการอยากจ ะ, กจะไปเปรียบวิเวกก็ขออนุญาตท่านให้ไปปรีวิเวกได้แต่ก่อนห้าพรรษานี้ท่านไม่อยากให้ไปเพราะ ยังไม่มีนิสัยของพระที่ดีติดตัวไปยังเป็นถึงแม้จะเป็นพระแต่ใจยังเป็นคารวาวาอ ย, ยังไม่ได้เรีวยนรู้วิธีการของการเป็นพระที่ถูกต้องว่าจะต้องทําอย่างไรก็เลยให้อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษาก่อนแน้วเอนิสัยห้าพรรษาหลังจากพ้นนิสัยแล้วทีนี้จะขออนุญาตท่านถ้าท่านเห็นว่าไปได้ท่านก็จะอนุญาตให้ไป แต่ถ้าเห็นว่ายิสัยยังไม่ได้เรื่องยังโลเลยอยู่ก็อาจจะยังไม่ให้ไวก็าดถึงแม้ว่าจะอยู่ค้ากัาสาระตามอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไปปิดวิเวกต้องให้มีกำลังให้มีหลักก่อนถึงไปได้เพราะถ้าไม่มีหลักไปแล้วเดี๋ยวก็จะถูกกิเลสเป็นตัวลากไปถ้าเห็นเจอผ้าที่บวชใหม่แล้วไป ปิดวิเวกอยู่คนเดียวนี่น่ากลัวเพราะท่านยังไม่เรียนรู้วิธีการเป็นอยู่ของพระที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรท่านก็อาจจะทําผิดๆถูกๆหลักธรรมหลักนี้ไหนได้นั้นส่วนใหญ่พระที่จะไปปิวิเวกอยู่ตามลําพังนี้มักจะมีพรรษาถึงยี่ปอย่างน้อยก็ห้าขึ้นไปหรือสิพรรษาท่านถึงจะไปนอกจนั้นท่านก็จะอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนถูกฝนอบรม เริ่มหลักธรรมหลักวิไนให้มันฝังลึกไปในใจก่อนอันนี้ก็ข้อที่สี่พอมีมีหลักไม่เตียนจากครูบาจารแล้วสามารถไปปฏิบัติตามลำพังได้เข้าไปปิดมิเวปัญหาที่สมบุกสมบันอยู่องเดียวก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่พอได้ไปปิดวเวลาก็ต้องมีทำขั้น ขั้นตามมาก็คือทวามขยันหมั่นเคลื่อน เ, อนเลวลานี้ต้องมีความขยันปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนะตั้งแต่ตืน่นเพื่อมาจะหลับทาที่ให้ปฏิบัติก็มีหนึ่งก็คือสีงใหรักษาสิงให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็ให้มาเจริญสมาธิต่าความเพียรในการนั่งสมาธิ ก่อจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องเพียรสร้างสติขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับตัว อ, อยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตถึงเรื่องราวต่างๆคอยควบคุมความคิดให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่ว่ากาลังทําอะไรอยู่เดิจนจงกรมค่ะค่รู้ว่ากําลังก้าวทาาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุโทโธไป อันนี้ก็เรียกว่าทําความเพีย่ยนเพียนสร้างสีสีก็เป็นทําข้อที่ห้าหลังจากมีความเพียนแล้วก็ให้เพี่ยนสร้างสีให้บริสุทธิ์ลอดเวลาแล้วก็เพี่ยนสร้างสมาธินั่สมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้พอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วว่าเวลาออกจากสมาธิจิตจะมีอยู่เบิกขามีกําลังที่จะต่อต้านความอยากต่างๆ ได้ก็ให้ไปเจริญปัญญาให้พิจารณารมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยไปยึดไปติดไปเอามาครอบครองเป็นสมบัติจะต้องทุกข์ในครยหลังเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงได้ามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปเวลาหมดไปมีการพลาดพลาดจากกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นำไปทั้งการความทุกเกินไม่ให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆให้หาความสุขจากการไม่มีความอยากนี่ว่ า, าตัดกิเลสทั้งหลายถ้าตัดกิเลสได้ก็จะได้ทาขั้นต่อไปเเรียกว่าวิมุตติวิมุตติก็คือการหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดจากความอยากต่างๆหลังจากที่ได้ปฏิบัติสมาธิปัญญาแล้วก็จะมีพลังที่จะล้างความอยากต่างๆได้ แเวลาความอยากต่างๆได้ก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เวลาทุกข์ดับแล้วเขาเรียกวิมุตต์หลุดพ้นจากความทุกข์วิมุตต์แล้วการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากที่จิตที่สร้างขึ้นมาในจิตด้วยการใช้ปัญญาและสมาธิพอหลุดพ้นแล้วก็จะได้ทำขั้นสุดท้าย เรียกว่ามิมุติยานัทสนาก็คือในยานอย่างทราบว่าทุกที่เคยมีอยู่ในจิตใจนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วอันนี้เป็นถั้ข้อที่สิบคือมิมุติยานัทสนาท่นก็ขอสรุปให้ฟังอีกครั้งอหนึ่งก็คือมักน้อยข้อสองสันโดดข้อสามไม่คุกคีกันข้อสี่รีบวิเวก ข้อห้าให้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติสิงศิงก็คือข้อหสมาธิก็ข้อ7ปัญญาก็ข้อ8เพื่อจะได้วิมุตติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและได้ยาดอย่างทราบว่าทุกทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในจิตใจนี้ได้หายหมดสิ้นไปแล้วจากใจภารกิจทั้งหลายที่ได้ปฏิบัตินานี้ก็ถึงวาระสิ้นสุดลง งานทำทำนี้มีมีการสิ้นสุดลงแงานทางโลกนี้ทําไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดไม่มีวันจบเพราะกิเลสไม่ยอมให้จบได้แล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอจะทํากันไปอยู่เรื่อยๆแต่งานทางธรรมนี้เมื่อฉันมีมุตติญาณทัศนนะแล้วก็รู้ว่ากิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วภาษาบาลีท่านว่าอุสิตังพรหมจรรย์ จิตของพรมจาร์ก็ของพระเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่ามียาณอย่างทราบแล้วว่าทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจนี้หายไปหมดแล้วถ้าเป็นทางร่างกายก็เหมือนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพอหายแล้วก็รู้ว่าไม่มีโครคภัยแค่เจ็บนองเหลือยอยู่ในร่างกายแล้วยาที่เคยกินหรืออะไรต่าสารที่ต้องทำเพื่อรักษาร่างกายก็ยุติลง ไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง ร, รักษาร่างกายต่อไปเพราะร่างกายอายจากโรคภัยแค่จิตจิตก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ได้ยาณทัศนะนะวิมุตติยาณทัศนะรู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีในจิตในใจนี้หายไปหมดแล้วในจิตไม่มีความทุกข์เนืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเขารู้ว่าไม่ต้องทํากิจอะไรต่อไปสําหรับตนเอง ถยาจะทก็เป็นกิจเพื่อผู้อื่นเช่นการเผยแผร่ทำต่อไปแล้วแต่อธยาศัยอันนี้ไม่ไม่เป็นเรื่องที่จะต้องบังคับตนเองจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้แล้วแต่อธยาศัยเราจึงเห็นครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็สอนบางท่านท่านก็ไม่สอนอาจจะเป็นเพราะว่าการสั่งสอนนี้มันก็ต้องมีความสามารถพิเศษ บางคนไม่ทนัดในการสั่งสอนก็ไม่สอนหรือสอนน้อยบางคนถนัดในการสั่งสอนการแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวางอย่างหลวงตามหาบัวนี่ท่านแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวางท่านมีหนังสือธรรมะออกมายเยอะแยะแต่ครูบาอาจารย์รูปบางรูปนี้แทบจะไม่มีหนังสือธรรมะออกมาเผยแผ่เลย ท, ท, ทั้งที่ท่านก็เป็นท่านก็ได้วิบุติยานทัศนาแล้วแต่ ท่านไม่มีความสามารถในการสั่งสอนท่านก็เลยสอนแบบในวงแคบสอนกับพระที่ไปอยู่กับท่านไม่ได้สอนกับประชาชนเพราะว่าความสามารถในการนำธรรมมามาสอนประชาชนนี่มันมีหลายระดับด้วยกันทางการคัดสรรธรรมะที่เหมาะสมต่อผู้ที่มาฟังเ่ออาจจะ ไม่ได้สอนมากก็ได้ออันนี้ก็คือเรื่องของสัร l e g i s l a t u สิบประการที่คุณหมอให้แสดงถ้าขาดตกอะไรก็บอกได้ถ้าต้องการให้เพิ่มเติมตรงไหนก็บอกได้ผอกระจากแจ้งนะครับอาจารย์ครับดีใจดีใจมากเลยครับที่ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับเหมือนกันไหมคล้ายกันไหม เหมือนที่พระ อ, อาจารย์เคยสอนเลยครับผมแล้วประทับใจทุกครั้งเลยครับที่ได้ฟังทำหมดเนี้ครับอาจารย์ครับโอเคในใจที่ปัญหาเลยตอไป้กับขอบพระคุณพระ อ, อาจารย์นะครับพระ อ, อาจารย์ครับมีคําถามจากคุณสิริยุคนนะครับกาตัมมัสการพระ อ, อาจารย์เรียนถามพระ อ, อาจารย์การพิจารณาไตรลักษณ์คือการมีความคิดที่น้อมไปในไตรลักษณ์และมีจิตคล้อยตามเห็นจริงในความจริงนั้นหรือเป็นการเห็นไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นในจิต ที่โคลงขึ้นมาทันทีในจังหวะใดจังหวะหนึ่งขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะคือการเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆ ท, ที่จิตใจเราไปยุ่งเกี่ยวด้วยไปเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่เราไปครอบครองว่าเป็นของเราเช่นร่างกายเรานี่หรือทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เราไปครอบครองเขาไปยึดไปถึงเขาว่าเป็นของเรานีต้องไปเจรณาว่าเขาไม่ใช่เป็นของเรา เขาเป็นของธรรมชาติเขาทํามาจากดินน้ําลมไฟวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปเช่นร่างกายวันหนึ่งก็ต้องหยุด้ายใจพอหยุด้ายใจก็ธาตุลมก็หมดไปแล้วธาตุไฟความร้อนในร่างกายก็หมดไปร่างกายก็เย็นธาตุน้ําที่อยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมาเหลือแต่ธาตุดินก็คือส่วนที่เป็นของแข็ง คือการดูหนังอะไรต่างๆอันนี้คือการพิจารณาการศึกษาเหมือนกับแพทย์เนี่ยศึกษาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ข้อครอง อ, อยู่ตอนนี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นนะวันใดวันหนึ่งจะต้องมีการคัดท้าจากกันถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไปยึดไปติดจะหวงจะไม่ยอมให้จากเราไปพอถึงเวลาจากไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน ถ้าได้ศึกษาได้สอนใจอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าความจริงของสิ่งต่างๆว่าจะอยู่กับเราเพียงชั่วะยะหนึ่งเท่านั้นเองไม่จากกันตอนนี้ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายเข า, าอาจจะจากเราไปก่อนหรือเราอาจจะจากเขาไปก่อน ต, ต้องมีการจากกันอย่างแน่นอนช่วงที่จะต้องจากกันช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทุกทรมานใจถ้าไม่มีปัญญาคือไม่เห็นว่าเป็นเรื่อง ธรรมดาเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเรารู้ไว้ล่วงหน้าก็จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้รู้ว่าไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนของที่เราไปยืมเของมาเรายืมของใคร้ามาเราก็รู้ว่าต้องคืนเข้าไปวันใดวันหนึ่งเราก็จะไม่มันยึดติดมาถือว่าเป็นของเราเห็นได้ร่างกายนี้เราก็ได้มาจากดินน้ำลมไฟวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องคืนดินน้ำลมไฟกลับไปนี่คือการพิจารณาตายรั ให้เห็นว่าไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการสิ้นสุดลงในการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเรานำเพียงแต่มาครอบครองช่วคราวเท่านั้นเองเป็นสมบัติผัดกันชมก็ได้ยึดอย่างนี้นะถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถึงเลขว่าตายละแต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดถ้ารู้ทันว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ก็จะไม่ทุกข์เพราะทุกข์เกิดจากความไม่รู้ความหลงไปคิดว่าเป็นของเราเป็นความอยากที่อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอันนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันแต่พอรู้ว่าเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาไม่ได้เป็นของเราก็เลยไม่มีความอยากให้เขาอยู่ของเราไปตลอดพอถึงเวลาเขาไปก็ยินรีให้เขาไปเพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้ห้ามขอไม่ได้ ปล่อยเข้าไปพอปล่อยใจก็จะไม่ถูกเพราะเห็นเห็นว่าทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังเป็นอนัตตานั่นเองคำถามจากคุณถาปณีครับอาจารย์นักพิธการพระคุณเจ้าค่ะขอถามนินทาสามีนินทาพ่อผิดศีลไหมคะนินทาอันนี้หมายถึงว่าเขาดับหลังอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าน่าจะประมาณนั้นนะคะระับอาจารย์คือ บุคคลที่เราไม่ควรที่จะไปร่วมเกินก็คือผู้ที่มีพระคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือสามีหรือภรรยาถ้าก็มีบุคบบคุณกับเรามีพระคุณกับเราเราไม่ควรที่จะไปไปยินทาของถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ไม่ควรพูดเรื่องว่าผิดศีลหรือไม่ถ้าเป็นความจริงไม่ผิดศีลถ้าเราพูดความจริงแต่เราต้องนึกความเหมาะสมว่ารเราควรจะพูดไหม เราควรจะไปว่าบิดามารดาผู้ที่ไมีพระคุณรับหลังเขาเช่นไปนินทากับคนอื่นว่าพ่อไม่ดีเลยแม่ไม่ดีเลยอย่างนี้มันไม่ควรจะพูดถึงแม้จะเป็นความจริง น, นะก็ต้องรู้จักการละเทสะรู้จักความเหมาะสมถ้าเราอยากจะเป็นบุคคลที่ดีบุคคลที่มีความประตัญญูณประตะเวทนะีก็ต้องไม่ไปนินทาผู้มีพระคุณทั้งหลาย นินทาคนอื่นก็ไม่ดีเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรแม่ว่าเขาสู้มาว่าตัวเราเองดีกว่ามาดูตัวเราเองแล้วดูว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีตรงไหนเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ดีเราจะได้มาแก้ไขได้เราจะได้ดีขึ้นกว่าเก่าไม่ว่าคนอื่นมันก็ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นแต่อย่างใดเราอาจจะทําให้เกิดการเป็นศัตรูกันกัได้เป็นนินทาเขา ยวเขก็ไม่พอใจเขาก็มาลินทาเรา้ทําทไปทํามาก็เลยกลายเป็นคั่วอะไรกันเป็นศัตรูกันแทนที่จะมีความเมตตาก็เลยกลายเป็นมีความโกรธแค้นโกรธเคืองกันเนี่ถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็อย่าไปลินทาใครถ้าเราต้องการให้คนอื่นเขามีความสุขเราอย่าไปคู่วินทาคนอื่นเพราะกั้นไม่มีใครชอบลินทาชอบสรรเสริญ แทนี่จะพูดเรื่องคนอื่นพูดแต่เรื่องดีดีดีกว่าสรรเสริญเขาดีกว่าพรคนนั้นดีงั้นคนนี้ดีนี้่แต่เรื่องไม่ดีเราไม่ต้องเอามาประจานคำถามจากคุณโอเปิลครับกาบ ร, รราัชกา ร, รพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนสอบถามขณะเดินจงกรมเราจะวางพุโทโธไว้ตรงไหนคะก็วางไว้ที่ใจนี่พุโทโธมันออกมาจากที่ใจแล้วก็มีสติอยู่ที่ใจให้รู้อยู่ว่าเรากําลังพุโทโธพุโทโธ ไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็ถือว่าใช้ไดแ้แต่ก็ต้องดูเท้าดูทางเดินที่เราเดินด้วยประกอบไปด้วยทสองสองอย่างไม่ใช่จะอยู่แต่พุโทโธแล้วเดี๋ยวก็เดินไปชนต้นไม้เดินไปเหยียบอะไรเข้าก็ต้องมีสติทัท้งสองที่สติแรกก็คือดูการเดินของเราว่าเราอยู่ในทางเดินหรือเปล่าเราไม่ไปเหยียบไปชนอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถ้ายัางใจยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ได้ก็ใช้พุทโทธพุโทโธหนึ่งเอาไว้ คำถามจากคุณชัดชพงครับกลาวธรรมสกา ร, การครับระหว่างนั่งสมาธิมีอาการไอจะต้องวางจิตอย่างไรครับมันไอก็ต้องปล่อยมันไอไปถ้าไม่อายได้ก็อย่าไปไอถ้ามีสติอยู่กับการภาวนาเนี่อาการต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสตินั่งไปเฉยๆเดี๋ยวก็จะมีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาได้อยากจะไอบ้างอยากจะเปื่อนน้งลายบ้างอยากจะทัน อยากจะเกาตรงนั่งเกาตรงนี้บ้างถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติอยู่การภาวนาะถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วมีสติอยู่กับการดูลมหายใจไปสิ่งเหล่านี้บ้างจะไม่เกิดขึ้นมาเกิดก็ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันหายไปเองเราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการดูลมหายใจไปคําถามจากพระปัญญาวุตโตหลวงพี่แดงครับ ปิติเกิดพร้อมกันหลายอาการแน่นมาแน่นหัวมากควรทํำยังไงครับถ้าปิติมันไม่ทําให้แน่นหัวเราปิติมันทําให้เบามากกว่าเนื้อคิดว่ามันชงไม่ใช่เป็นปิติอาการแน่นหัวมันอาักจะมักจะเกิดจากอาการของกิเลสต่อต้านการควบคุมจิตใจเวลาเราควบคุมจิตใจใช้เวลานั่งสมาธินี้ตอนต้นกิเลสมันมักจะมาต่อต้าน ทำใหมีความรู้สึกอาการแน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเรา้ำสมาธิได้อยู่พุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปอาการแน่นต่างๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองคําถามจากคุณบุญชูครับเรียนถามอาจารย์ครับกับผมเข้าใจว่าเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาพยายามใช้สติและปัญญาระงับความทุกข์ถ้าเรื่องไม่หนักมากก็พอผ่านได้อยู่แต่เรื่องหนักๆไม่เคยผ่านได้เลยครับเราควรต้องทําอย่างไรเพิ่มครับ เราก็ต้องเพิ่มสมาธิให้มีกําลังมากขึ้นให้มีอุเบกขามากขึ้นแล้วก็ต้องพิจารณาทางใจรักให้มากขึ้นเราเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้เราไปอยากไม่ได้อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าก็จะเป็นอย่างนั้นเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเรามีกําลังที่จะดังรับ คามอยากได้เราก็จะไม่ทุกเข์ที่เราอาจจะมีปัญญารู้ว่าเราไม่ควรจะไปอยากแต่เราก็ยังอดอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิพอไม่มีอุเบกขาพอก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้จิตเฉยเฉยให้ได้ถ้าจิตเฉยได้ก็จะผ่านได้กับเรื่องนั้น คำถามจากคุณอภาภรัตครับขอถามค่ะคนเราเกิดมาเพื่ออะไรคะกล่าวศัพทุเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำถามที่คุณหมอตั้งไว้เมืาทิดที่แล้วใช่อ<ห>ันนี้ยมจะกลับไปดูนะอาจจะตอบชัน ๆ, นๆเรากลรมมาเรากรรมมาเรามาเกิดเพื่อมารับใช้กิเลสทันหาของเรา น, นั่นเองามารับใช้การมทาัานหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสรุปก็คือเราเกิดมาเพื่อมารับใช้ คามอย่ากในโลกกระทำคือลาภยศสา ร, รเสริญสุขนั่นเองเราหาลาภสา ร, รเสริญสุคนต์แต่การที่เราจะได้ความสุขจากการได้สิ่งเหล่านี้มามันกลับสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมีเจรนาก็มีเสือ่อมเวลาได้ลาภก็มีความสุขเวลาเสื่อมลาภก็เสียอกเสียใจเวลาได้ยศได้สา ร, รเสริญก็เช่นเดียวกัน เอเสืยย่ย่นพอได้นิ่ทาาก็ไม่พอใจความสุขก็ต้องเปลี่ยนเป็นความทุกไปนั่นนี่คือปัญหาของพวกเราเราถุกความอยากสั่งให้เรามาเกิดนั่นมื่อเกิดแล้วมันก็มาสั่งให้เราทําตามความอยากไปเรื่อยๆทําเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทําไปจนถึงวันตายก็ยังไม่พอก็ต้องไปเกิดใหม่เพื่อกลับมาทาแบบนี้ เราจะกลับมาเกิดกันไม่รู้กี่แสนล้านครั้งนะแล้วแลจะกลับมาเกิดอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรามาระงับความอยากต่างๆกันด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาครับผมคำถามจะคุณนรยาครับรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานควรยกเอาสังขารที่เสื่อมไปเรื่อยๆมาพิจารณาเพื่อสอนใจ จะทำให้เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงหนูจะได้ปล่อยร่างกายได้แบบนี้หนูพิจารณานได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะได้ต้องพิจารณาว่าวันหนึ่งร่างกายนี้มันจะต้องสิ้นสุดลงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราคือจิตคู่รู้คู่คิดไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายดันั้นเราอย่าไปเย็ดไปติดอย่าไปอยากให้ร่างกายมันไม่ตายถ้ามันถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับ ความตายขอ ง, งร่างกายคำถามจากคุณธนากรครับขอถามพระอาจารย์พระอาจารย์ครั้งแรกที่เห็นไตรัต์พระอาจารย์พิจารณาอะไรคะสำหรับเรานี่เราเห็นอนิจจังในตอนนั้นเป็นเด็กเรียนวรริทเสอยู่ในวงเรียนประมาณอายุสัก 12-13 กวบเนาะมีเพื่อนคนหนึงเพื่อนนั่งเรียนเสียชีวิตลงจมน้ำตาย แล้วเขาเป็นคริสเขาวระจัดพิธีศพแบบคริสคือเขาเอาใส่ลงแล้วเปิดโลงเปิดฝาโลงให้ไปคารวะศพก็จะเปเ็นร่างของคนตายครั้งแรกพอเห็นแล้วจิตมันแทนที่จะต ก, ตกใจหรือนีอาการไม่สบายมันกลับพิจารณาว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เอง ร่างกายของคนทุกคนในที่สุดก็จะต้องตายกันร่นางกายของคนของเราก็ต้องตายร่างกายของคนที่เรารลกเราเคารพตอนนั้นก็มีมีคุณย่ามีพ่อแม่เป็นต้นเราก็พิจารณาไปหมดแล้วว่าในที่สุดจะต้องมีการพัดพากจากกันไปก็พิจนารณาวินิจฉัยคือความไม่เที่ยงหรือพิจารณามนาลสติคือความตายนี่แล้วมันก็จะไม่กลัวตายต่อไปมันก็จะเฉยเฉยกับความตาย ม เ, เรรร่อคำถามจ้กคุณออมครับทำอย่างไรถึงจะมีอินทรีย์ในทางธรรมแก่กล้าคะก็มีทั้งสอบมีสองระดับระดับหน้าก็ศึกษาศึกษาบ่อยๆแล้วก็จะเสริมปัญญาบารมีปัญญาอินทรีย์ให้แก่ข้ารู้มากขึ้นรู้มากขึ้นในขณะเดียวก็ศรัทธาก็จะมากขึ้นไป แต่ถ้าอยากจะให้มากไปกว่านั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมพอได้เห็นได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือได้ผลจากการปฏิบัติก็จะเริ่มมีมีความแก่กล้าในทางความเพียนในการปฏิบัติพอเห็นผลว่าทําแล้วได้ดีอย่างนี้อย่างนี้จิตใจมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะมากขึ้นไปเกิดอินทรีย์มากขึ้นไป โดยในที่สุดก็สามารถลองบนได้ถ้าคุณดีใจครับกาวรรัสการพระอาจารย์ขอเรียนถามความหมายของอวิชชาปัจยาสังขาราสังขาระปัจยาวิญญาณมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรคะคือมันเป็นเรียกว่า เ, เป็นแผนการทำ ง, งานของติเลศนี่ติเลศคืออวิชชา อวิชชาคือความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่สิ่ง ต, ต่างๆในโลกนี้จะอยู่ในอยู่กับความสุขอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเมี่อวิชาหลงอวิชชาก็จะสั่งให้สังขารคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสสังขารคือความคิดตัแตกของของจิตสังขารของเราจะคิดหาอะไรกัน ก็หาลูกเสียงกลิ่นลดได้วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินอะไรดีไปดูอะไรดีไปฟัาอะไรดีพอคิดปั๊บมันก็ส่งสมันก็ส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าการที่จะรูปสัมผัสลูกเสียงกลิ่นลดได้านนี่จะต้องต้องมีเครื่องเชื่อมต่อระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายกับใจใจก็มีเครื่องเชื่อมต่อแล้วรียกเราวิญญาณหวิญญาณในอวิญญาณที่ใช้มาต่อกับ วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายพอเวลาตาเห็นรูปมันก็จะส่งรูปเข้ามาที่ใจพอได้สัมผัสกับรูปที่ชอบก็เกิดเวทนาความสุขถ้าไปสัมผัสกับรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นพอเกิดความสุขความทุกข์ก็จะเกิดความอยากถ้าสุขก็อยากจะได้มากขึ้นอยากให้มันสุขไปนานๆถ้าทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆ ก็เกิดตั้หาความอยากขึ้นมาตั้หาความอยากก็จะเกิดอุปทานความยึดติดในสิ่งที่เราอยากได้อยากให้มันมีไปเรื่อยๆทีนี้มันมันเป็นของไม่เทียมมันจะต้องมีการจากไปพอร่างกายตายไปมันก็จะไปมีภาวะอันใหม่ขึ้นมาภาวะก็คือไปเกิดใหม่ไปสร้างภพใหม่ พอมีภาวะก็จะมีการเกิดพอมีได้ร่างกายขึ้นมาก็จะได้เกิดแก่เจ็บตายตามมาต่อไปนี่คือขั้นตอนของมจิตที่มันจะคอยเกาะติดอยู่กับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปมันก็จะไปหาร่างกายใหม่มาเกาะติดใหม่ก็จะได้ตอบสนองอาวิชาความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่ที่การหาเลือกเสียงกิริยรดผลธภามะมาเสร็จนี่ก็คือ การทำงานของปิเลนในใจของพวกเราแต่ถ้าเราได้ธรรมะเราก็จะมาแก้ธรรมะก็จะสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกิ่งน้แต่อยู่ที่ความสงบของในทนทจนิทานวิชาให้สังขารปรุงแต่ไปหารูปเสียงกิ่งน้คล้ายพรุงแต่งให้หาความสงบโดยการปรุงให้คิดแต่คิดแต่เรื่องที่จะทาให้ใจสงบก็เกิดพุทโธพุทโท เมื่อคิดถึงกรรมฐานสี่สิชนิดนี้ชนิดใดชนิดห น, น, นึ่งสามารถทําใจให้สงบได้ทั้งที่จะใช้สังขารไปคิดหารามนุสสนเสริญสุดก็ให้มาใช้กับการหากรรมฐานใช้กรรมฐานมรณานุนาสตินะอานาปณะสติใช้อนานาคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้แล้วจิตก็จะสงบจิตสงบจิตก็ไม่ต้องไปอาศัยร่างกายก็ไม่ต้องส่งวิ ญ, ญญาณไปเกาะที่ร่างกาย ทางการนี้ตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะสามารถหาความสุขในตัวเองไนดะ้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่แถววอเพราะอยู่อยู่กับจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตเขาไม่หาจิตเขาไปหาความสุขชั่วคราวที่อยู่ภายนอกของจิตก็อยู่ที่ผ่านทางร่างกายก็เลยต้องไปเจอความทุกข์ของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความความตายของร่างกายทุกภพทุกชาติ คำถามจากคุณแองเจลปุ้ยครับเรียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิก่อนนั่งเราขอดูกายทิพย์ของเราจะกล่าวอย่างไรคะขาดูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันต้องนั่งสมาธิมันถึงจะดูได้จิตต้องสงบถึงจะเห็นเห็นกายทิพย์ของเราอยู่ดีๆจะมาขอดูกายทิพย์มั น, ม, นมันไม่ให้ดูหรอเราต้องทําจิตให้สงบจิตแยกออกจากร่างกายแล้วเราก็จะเห็นกายทิพย์ของเราเพื่อรู้เพื่อกินเพื่รู้ มันต้องทั้งสมาธิจนจิตรวมเป็นเอกขัตตารูมีอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้แล้วก็จะรู้พบกับตัวกายจิตของเราเนี่ยนั้นไม่สามารถที่จะทําให้เราเห็นได้คําถามจะคุณตํานานความเชื่อหน้ารู้ครับสุญญตาเป็นช่องว่างของแต่ละส่วนของระบบปฏิจจสมุป บ, บาทเป็นช่องว่างที่จิตเราไม่ไปเกาะช่องว่างนี้คือนิพพาน กาจิตจะถูกรู้เป็นผู้รู้ต้องฝึกปฏิบัติอย่างมาเอานี่เขาสงสัยเขคุยกันเองครับอจาไม่รู้ถูกไปครับเขาความนี้ครับอาารก็ไม่อยากจะพูดเนดี๋ยวมันยาวไปเราวางเงินไปก่อนนะจากคุณก้อยคุงครับขอถามคําถามเราทุกเรื่องน้องชายของเราเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาทําอย่างไรถึงจะปล่อยวางเรื่องนี้ได้ครับก็คิดว่าเขาไม่ใช่น้องชายเราสิคิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมโลก ก็ม เ, เกิดแก่เจ็บได้แล้วก็ทุกคนเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องต้องเจอกับความความทุกข์ชนิดต่างๆเพราะโลกเป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปควบคุมมาขับได้ในช้าก็าเร็วเขาก็จะต้องเจอทุกเจอสุขไปตามตามสภาพของเขาเราไม่สามารถที่จะไป ช่วยเขาดูแลเขาได้ตลอดเวลาก็ให้ทําเท่าที่เราจะทําได้ก็แล้วกันทำในส่วนที่เราทําได้ส่วนที่เราทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญ ต, ตามคำของเขาคําถามจากคุณตรงรทิกครับรบกวนหลวงพ่อช่วยสอนเรื่องการพิจารณากายในกายคืออะไรครับคือให้ศึกษาร่างกายของเราว่าเป็นหนึ่งเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยง ร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วมันก็จะลรเติบโตว่าต่อไปมันก็จะแก่แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ตายนี่คือร่างกายคือพิจารณาอนิจจังไม่เทียมอนัตตามไม่ใช่ตัวเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่เราสร้างขึ้นมาให้เราเราคือใจผู้รู้ผู้คิดที่มาส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาขหูจมูกร่างกายนี้เท่านั้นเราก็ใช้ร่างกายนี้ ไปทำไํำลายต่ามความอยากของเราใช้ร่างกายพาเราไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มอะไรเป็นเหมือนคนรับใช้เราร่างกายนี่คือการพิจารณาให้เข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นอนาาัตตาทํามาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องกับคืนสู่ดินน้ำลมไปนี่คือพิจารณาอนัตตาแล้วก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายของคนทุกคนนี้โดยเฉพาะ เพศตรงกันข้ามหรือบุคคลที่เราหลงรักว่าเป็นร่างกายที่ไม่สวยงามเพราะมีส่วนที่ไม่สวยงามที่เรามองไม่เห็นถูกปกปิดด้วยหนังผุ้มหอยเราต้องเปิดหนังเข้าไปดูภายในดูโครงกระดูกหรืออวัยวะต่างๆนั้นจํานักศึกษาแพทย์พยายามดูอยู่เรื่อยๆให้มันจดให้มันจําอยู่ในใจไ ม, ใไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วมันจะระ ง, งับทำให้เราระ ง, งับความอยากในการได้ อาจจะสามารถอยู่คนเดียวบวชพระได้เป็นโซนได้โดยที่ไม่ต้องมีคู่ครองเพราะการมีคู่ครองการมีความอยากนี่ในการนี้มันทุกเวลายอยากเสพการมนี้เราคงจะรู้กันว่ามันทุกใหมแล้วพอได้เสพมันก็มันเทาไปเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากเสพการมใหม่ก็โผล่ขึ้นมาเราเกิดความอยากก็ทําให้เรารู้สึกเราว้าเวเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ นี้ถ้าเราพิจารณาอัศวะดูร่างกายว่าของคนที่เรารักเราชอบว่าตเต็มไปด้วยโครงกระดูเต็ไมไปด้วยปอดตับไตน้ำไส้ของสปปตกตมายต่างๆที่ไหลออกมาจากร่างกายถ้าเห็นอย่างนี้แล้วความอยากเศษการมันก็จะหายไปจิตก็จะไม่รู้สึกว่าเวรรู้สึกเหวาเวลายอยู่คนเดียวอันนี้คือการพิจารณากายในลักษณะต่างๆ คำถามจากคุณสุภัสวรวัตรครับกราบดัทัศการพระอาจารย์ครับเมื่อมีใครมาทําให้เราทุกข์เราจะคิดได้ไหม่ว่าชาติที่แล้วเราเคยไปทําอะไรเขามาก่อนและชาตินี้เราต้องชดใช้เราจะรู้ได้ไหมว่าอย่างไหนคือกรรมในอดีตชาติอันไหนคือกรรมปัจจุบนันหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องรู้ครับกราบก็ยังไงก็ได้ขอให้เราดับความทุกข์ในใจของเราได้พยายามรับความยอมรับสภาพ ใครก็มากัแกล้งเรามาทำอะไรให้เราทุกข์ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของของการกระทำของเขาที่เราห้ามไม่ได้ให้เรามองเขาว่าเป็นเหมือนกับดินฟ้ากายก็ได้มันดีมันดีเกิดีฝนก็ตกลงมามันดีกันดีน้าก็ท่วมหรือพายุมาพัดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของเหนือวิสัยเที่เราจะไปควบคุมบังคับได้เราก็ต้องทำใจรับกับสภาพ หลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกหไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ต้องนับตับสภาพแต่ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเสียใจ ม, มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปอย่างมากก็แค่ตายถ้ายังไม่ตายก็อยู่ต่อไปก็มีเท่นี้แหละชีวิตถ้าอยากจะอยู่อย่างไม่รู้สึกวุ่นวายใจนะก็ต้องยอมรับสภาพของเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นกับเราว่ามั น, เ ป, นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ โลกนี้มันมีสุขมีทุกข์สลับกันไปเวลาสุขไม่เห็นมาบ่นกันเลยพอมีทุกข์หน่อยรู้สึกมาบ่นกันเป็นเรื่องเวลามันต้องมีให้ความยุติธรรมกับความสุขและความทุกข์มันมาพร้อมๆมันผัดกันมาถ้าอยากมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วจะไปให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวนีย่อมเป็นไปไม่ได้เรายอมรับว่ามันเป็นโลกของอนิจจมีสุขมีทุกข์มีจรามีเสื่อมมีได้มีเสียเป็นธรรมดา คำถามจากคุณอภิชาติครับพระพุทธเจ้าตัดลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแม้แต่พระอระหันต์สมณาสักถือเป็นลาบสักการะไหมครับและเป็นเครื่องปิดกัน้นพระนิพพานไหมครับถ้ายัางไปไม่ถึงนิพพานถ้าไปยึดไปติดไปชอบมันก็จะขวางกั้นได้เพราะถือว่าเป็นโลกก็ทำอย่างนี้คือเป็นยศเนี่ยละมิงขัสักก็คือยศเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคณเป็นสมเด็จเป็นอะไรต่างๆนี้น ก็ถือว่าเป็นยศเหมือนทหารเป็นนายพลนายพันอะไรนี่เป็นต้นถ้าไปยึดไปติดจิตใจก็จะไม่มีจิตใจที่จะไปเจริญสัมเน้กระทํานั้นเนี่ก็ <c oughs> จะมาคอยวิ่งเต้นคอยวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่พระรูปไหนสามารถที่จะจตั้งเรื่องขัง้นเลื่อนตำแหน่งได้ก็วักจะไปเยี่ยมท่านไปเอาของไปถวายมันเกิดก็ไปอวยพรให้ท่านหรือก็ไป ไปรับใช้ท่านถ้าท่านมีภารกิจอะไรที่เราให้ทําก็ยินดีจะรับตรงนี้เราก็จะได้ได้ยอดกันเขาก็จะไม่มีเวลาไปเปรียวิวเวกไปอยู่ในป่าในเขาไปปฏิบัติธรรมื่อไม่ไปปฏิบัติธรรมวิมมปภ า, า, ายก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้แต่สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการารับยอดเสริเสริญสุขเขาก็ไปเปรวิวเวกกันได้เพราะไม่ต้องมาวิ่งเต้นมาคอยรับใช้พระผู้ใหญ่ เพราะว่าผู้ใหญ่กับผู้จะแต่งตั้งยศ ต, ต่างๆให้ตำแหน่งต่างๆให้นั้นเองถ้าถ้าไม่ต้องการราบยศสรรเสริญก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้า่ายมีเวลาที่จะไปปรดวิเวฆไปปฏิบัติสิมิสมาคีปัญญาก็จะได้มีมุตติหยุดพ้นได้นิพายตามมาคำถา ม, ถามจะคุณแพทครับกาเรียนถามค่ะ ทำอย่างไรจะไม่รู้สึกเศร้าหมองเวลาคิดว่าเราต้องพัรากจากของรักและไปจากโลกนี้ก็ซ้อมูเลย น, นอนแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปฝึกทําสมาธิทําใจให้สงบเวลาพัดพรากจากกันชั่วครั้งชั่วคราวอย่า ก, กอดกันอยู่กันไปจนถึงวันตายพอถึงเวลานั้นมันจะทําใจไม่ได้ดังั้นต้องต้องเตรียมตัวต้องซ้อมมันไว้ก่อนตั้งแต่เรายังไม่ได้จากกันจริง เราแยกกันอยู่เป็นพักๆไปเดือนหนึ่งก็แบบยกไปอยู่ว่าสักเจ็ดวันอะไรอย่างนี้อยู่อยู่ห่างไกลกันบ้างไม่เห็นหน้าเห็นตากันบ้างแล้วก็พยายามฝึกจิตฝึกใจให้อยู่แบบอยู่คนเดียวว่สักวันหนึ่งเราก็จะต้องเหลือเราคนเดียวนะั่นแหละเอาะคนอื่นเขาก็จะจากออกไปหึืเวลาเราไปจากโลงนี้เราก็ไปคนเดียวเหมือนกันเราไม่ได้เอาใครติดตัวเราไปด้วยนั่นเราต้องฝึกซ้อมกัน เ่าจะมีวันพระให้ญาติโยมไปเข้าวัดกันไปไปไปปฏิบัติธรรมไปค้างเกินที่วัดอย่างนั้นสักคืนหนึ่งแยกกันอยู่สามีนรรยาไม่เห็นหน้ากันวันหนึ่งไม่ตายหรอกนะจะได้รู้ว่าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ถึงเวลาแต่งงก็อยู่ได้ครับผมคำถามจากคุณศศิบิมลครับหลานนำมัศ ก, การถามพระอาจารย์มดมีวิ ญ, ญญาณหรือเปล่าเจ้าคะ มีพวกสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่กันใดๆนี่เขามีวิญญาณถ้าเขาตอบสนองอสิ่งที่ไปกระทบกับเขาได้แล้วเขามีความรู้สึกตอบนับนี่ก็ถือว่ามีวิญญาณคืออย่างนั้นต้องถือว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายหรือเปล่าถึงยจะเรียกว่ามีวิญญาณจริงหรือไม่สัตว์ทุกชนิดถ้าไม่มีไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเช่นพวกไมโครทั้งหลายพวกอะไร เชื่องรานี้ไม่ถือว่ามีวิญญาณแต่ที่จะมีวิญญาณนี้ต้องมีมีอยายตนะห้าเพราะจิตนี่จะไปเกาะแต่สิ่งที่มีอยายตนะห้าเท่านั้นถ้าไม่มีอยายตนะเช่นต้นไม้นี่จิตจะไม่ไปเกาะจิตจะไม่ส่งวิญญาณไปเกาะเพราะไม่มีไม่มีที่รับวิญญาณที่รับวิญญาณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง เมืีคำถามของเพื่อนๆถูกรีเฟชไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะถามขอขออนุญาตพิมพ์เข้ามาใหม่นะครับคำถามจ้าคุณวาสนาครับทุกครั้งที่เราคิดขึ้นมาไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีแล้วแสดงว่าเราคิดสร้างพบสร้างชาติใช่ไหมคะและที่พระอาจารย์แนะนําให้พวกเราหยุดความคิดด้วยการสร้างนั่งสมาธิเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคะกราบสาธุค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งว่าความคิดของเราส่วนใหญ่นี่คิดสร้างพบสร้างชาติกันเพราะเราเราจะคิดไปตามความอยาก อยากร่ำอยากหรืออยากมีความสุขอยากได้ลากรุดเฉลิมแสมันก็เลยจะทําให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนี่เราต้องรู้จุดความคิดเหล่านี้แล้วก็มาเปลี่ยนความคิดใหม่ให้คิดไปในทางที่จะทําให้เราไม่อยากจะกลับมาเกิดก็คิดว่าร่างคิดถึงอนิจจังทุกขังมนนตาของสิ่งต่ตางๆที่มีในโลกนี้ทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยมเช่นามการเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย ลาภยศสรรเสริญศุขก็มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรดาถ้าเราเปลี่ยนการคิดใหม่คิดไปในทางที่ต่างความเป็นจริงถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์มันก็จะทําให้เราหยุดหยุดการกำเนิดเกิดได้คําถามจากคุณเบญจวรรณครับขอวิธีนั่งสมาธิแบบให้จิตนิ่งและร่างกายเบาค่ะเรต้องนั่งแบบมีสติ ไม่ใช่นั่งเฉยๆต้องมีสติเช่นนั่งแล้วต้องพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรหรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปตามลมให้รู้อยู่ที่จุดเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งร่างกายก็จะเบาแต่ถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวจิตก็จะปรุงแต่งสร้าง อะไรต่างๆอาการแตต่างขึ้นมาหรอกเรได้จิตเราก็จะไม่สงบจิตเราก็จะไม่นิ่งคำถามจากคุณจุฬาลักษ์ครับขอรบกวนถามค่ะขณะนั่งจิตมันฟุ้งมากค่ะต้องใช้คำภาวนาอย่างไรเจ้าคะถ้าฟุ้งมากก็สวดมนต์ไปก่อนสวดอินทิบิสโไปร้อยจบสวดไปจนกระทั ง, งความฟุ้งซ่านหายไปแล้วค่อยหยุดแล้วค่อยมาดูลงต่อได้คาถามจากคุณชนาทิพครับ นั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบรู้สึกว่าจิตข้างในจะแยกออกมาจากร่างกายพอตามรู้ตามดูอาการนั้นก็หายไปเป็นเพราะจิตเราส่งออกนอกหรือเปล่าคะใช่พอไปตามรู้จิตเราก็ไม่ได้สักแต่ว่ารู้แนละ้วจิตเราปรุงแต่เนอะสิ่งที่เรารู้มันก็เลยหายไปเห็นอยากอยากไปตามรู้ให้อยู่กับให้มีสติสักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆถ้ามันไม่ยอมสักแต่ว่ารู้ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธเลยดูลมหายใจไหม่ คำถามจากคุณอัมพรครับการเรียนถามค่ะระหว่างที่ฟังธรรมเรานอนอยู่บาปไหมเจ้าคะก็อยู่ที่การละเทศะ์เรื่องการฟังธรรมการฟังธรรมในสมัยโบราณนี้ไม่มีการไม่มีอัดเสียงไว้ต้องไปฟังที่วัดฟังต่อหน้าพระจะไปนอนฟังแบบนั้นก็ไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั่งแสดงธรรมมาไปนอนฟังยกเว้นว่าเราเป็นคนป่วยนี่ก็เป็นข้อยกเว้นได้ เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดพระราชบิดาพุทธบิดาตอนที่ว่าท่านท่านป่วยท่านก็ไปแสดงธรรมให้คนป่วยนอนนอนฟังได้แต่ถ้าไม่เป็นอะไรเป็นปกติสามารถตั้งฟังได้ก็ควรจะนั่งฟังจะดีกว่าเถึงแม้ว่าไม่ได้ฟังต่อหน้าก็ก็ประโยชน์มันจะได้มากกว่าถ้าเรานั่งฟังเพราะเราจะไม่หลับง่ายถ้านอนฟังนี่มันจะสบายแล้วมันจะหลับง่ายฟังไปได้ไม่กี่นาะทีก็ครอบ ครอบครอบแล้วไปได้ยถ้าอยากจะฟังได้มากได้นานได้ประโยชน์มากกว่าคนจะนั่งฟังเป็นยังงนั่งในท่าสมาธิได้อีกเป็นถือว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิไปในตัวด้วยคําถามจากคุณเปตองทีวีครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นะครับถ้าจิตคิดปรามาทั้งที่เราไม่อยากจะทําเราจะทําอย่างไรดีครับก็อย่าคิดนั่นเสร็จใช้พุโทโธหยุดนั้น อรู้ว่าคิดไม่ดีกับพธพธพธมันสวนอีกทีพิโสก็ได้ดังความมันจะหยุดคิดแล้วเราก็หยุดส่วนได้พอมันคิดเองแล้วก็สวดอีกทํางนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่มัน ม, มันก็ไม่คิดว่าเราคุมมันได้คําถามจากคุณอนุสรครับขอโอกาสขอรับการรักษาใจควรน้อมนําเช่นไรถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาขอรับคการรักษาใจเบื้องต้นรักษาด้วยสติ ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ปล่อยให้ใจคิดเบื่อเบื่อยไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในอดีตไปในอนาคตไม่คิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าจะคิดแคคิดแต่เฉพาะเรื่องที่จําเป็นเช่นเวลาทํางานเรื่องงานก็ต้องคิดแค่คิดได้แต่ถ้าเวลาไม่ต้องคิดเรื่องงานมาไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดปรามาสคนนั้นคนนี้ก็หยุดมันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป การบริการพุโทโธจะทาให้เรามีสติหมีกำลังที่จะหยุดความคิดต่นางๆได้นั้นเบื้องต้นเราต้องใช้ส ต, ติหยุดความคิดแล้วขั้นที่สองก็สอนให้คิดไปในทางปัญญา ค, คิดไปในทางตายรักเราจะทำให้เราไม่ไปอยากได้อะไรอยากมีอะไรเมื่อเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีปัญหากับใครปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากตอนที่เรามีความอยากพออยากเรามักจะตั้งไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้เพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ พอไม่ได้ก็เกิดความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบามทำถ้าอยากจะรักษาใจให้สงบไม่วุ่นวายก็ต้องรักษาด้วยสติในเบื้องต้นแล้วก็ขั้นต่อไปพอมีสติแล้วก็สอนใจให้มองทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นไตรก็ไม่จะได้ตัดความอยากตัด่า ง, างาใจก็จะอยู่คนเดียวสงบไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนคำถามเจ้าคุณยูครับกลับเรียนถามบ้อาจารย์เจ้าค่ะ อยากขอคำแนะนำวิธีฝึกใจให้เป็นอุเบกขาไม่ให้เสียใจทุกใจหรือแม้กระทั่งดีใจในสิ่งต่างๆเจ้าคะถ้ามันฝึกสติทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาช่วงที่เรายังไม่ไปทำงานไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรช่วงที่เราทำกิจส่วนตัวอาบน้ำนั่งหน้าแปรงฟันก็ให้ดึงจิตไว้ให้อยู่กับงานที่เราทาก็ได้หรือให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธกํากับการทางานของเราไปก็ได้ อาน้ำกัปปุธโธแปลงนั่งหน้าแปลงควันกัปปุธโธอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่างๆแล้วก็หาเวลามานั่งสมาธิเพราะ้ารนั่งสมาธิทําใจให้เฉยได้ก็จะได้รูปเบปคาขึ้นมาต้องนั่งสมาธิแต่ถ้านั่งโดยไม่มีสติก็นั่งนั่งใจไม่จะไม่สนุกดังั้นเบื้องต้นต้องฝึกสติให้มากๆแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิ ถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิได้จิตก็จะสงบได้มุ่งเบี่าขึ้นมาได้แล้วต่อไปเราก็จะทําใจให้เฉยๆกับความกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้คําถามจากคุณกรกมลครับเวลาการอาการเบื่อเหงาเราแค่เห็นว่าเป็นอาการของจิตซึ่งเดียวเขาก็ดับไปถูกต้องไหมเจ้าคะไม่ต้องไปนั่งอธิบายกับอะไรกับจิตใช่ไหมเจ้าคะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราสามารถทําได้ เรียกว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วเนี่ยมันก็ดับเอยากไปยุ่งมันอยากไปพยายามไปเปลี่ยนมันเพราะยิ่งไปเปลี่ยนในบาทีมันยิ่งทําให้มันจิตใจยิ่งยิ่งเบื่อใหญ่ยิ่งมุ่นใหญ่เพราะเราไม่สามารถทํามันได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะดูเฉยๆได้ทนกับความเบื่อไม่ได้ก็ใช้สติคือพุทโธท่องพุทโธพุทโธไปแล้วสวดมนต์ไปแล้วพอจิตไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันความเบื่อความเหนามันก็จะหายไปได้ คำถามจากคุณชัชาสาครับการนักสการพระอาจารย์ค่ะช่วงโควิดมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิบางครั้งนั่งได้เป็นชั่วโมงสชั่วโมงโดยที่ไม่ขยับร่างกายแล้วเห็นทุกข์มากทั้งทางกายและทางใจเห็นความไม่เที่ยงแต่ยังไม่สามารถละความเป็นตัวตนได้ยังยึดติดอยู่เรายังมีหุกมีห่วงมีลูกของเรามีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เข้าใจตรงนี้คะ่ะเดือนหน้ามีโอกาสได้ลางงานบวชชีแบบลงผมประมาณ19วันค่ะ ขอทราบพิธีปฏิบัติให้ถึงทางหลุดพ้นหน่อยค่ะก็ให้พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช่นลูกเราลูกเราเขาเกิดมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายจากเาไปงั้นเขาก็จะไม่ได้เป็นลูกเราไปตลอดเขาเป็นรูกเราเพียงชั่วคราวให้รู้ว่าเป็นของชั่วคราวแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวตนมันไม่มีเพราะอะไร่างกายตายไปมันก็กลับเขินสู่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันพังมันก็กลับเขินสู่ดินน้ำลมไฟ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทํามาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตัเป็นสินค้าอย่างหนึ่งร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นตุ๊กตาตัวนหนึ่งที่ประกอบจากดินน้ําลมไฟแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องกลับเกินสุดดินน้ําลมไฟไปคําถามจะกคุณไกรเลิกครับกราฟเลนถามพระอาจารย์ว่าความอยากมีทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายมรรคหรือไม่ ความอยากเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือความอยากบรรลุธรรมถือเป็นมรรคหรือกิเลสเป็นทั้งสองฝ่ายความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากมีอยากเป็นเป็นใหญ่เป็นโตอยากนั่งอยากรวยนี่ถือว่าเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายกิเลสโดยการอยากทำบุญนั่งสมาธิรักษาศีลความอยากบรรลุธรรมนี่ถือว่าเป็นมรรไม่เป็นกิเลสจาเป็นจะต้องมีความอยากแบบนี้เราถึงจะนําไปสู่การปฏิบัติได้ ถ้าเราไม่มีความอยากทําบุญเราก็จะไม่ทําบุญถ้าเราไม่มีความอยากที่จะรักษาศีลเราก็จะไม่รักษาศีลถ้าเราไม่มีความอยากทีนัสมาธิเราก็จะไม่ได้นั่งสมาธิีความอยากเหล่านี้ต้องมีถึงว่าเป็นทางสู่การพ้นในความอยากในทางรูปเสียงกิก่ิรลดในลาบยศสนเสริญสมนี่เป็นความอยากที่นําไปสู่การเวียนวายตายเกิดเป็นที่หน คำถามจากคุณทาทาครับกราบนรัส ก, การถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อมีญาติมาขอความช่วยเหลือเมื่อช่วยไปแล้วก็จะมาขอบ่อยๆเข้าทาให้เกิดความโมโหและพูดจามไม่ค่อยดีกับญาติแต่ก็อดไม่ช่วยไม่ได้แทนที่จะมีสุขในการให้กลายเป็นโทสะจะบาปหรือเปล่าคะักราบสาธุไม่บาปหรับพี่แต่ว่าเป็นความทุกข์นความทุกข์เป็นวิธีที่เราจะ จะทําให้เราไม่ทุกข์ก็คิดว่าเราใช้นี่เขาไปแล้วกันทุกครั้งที่เข้ามาขอเงินก็คิดว่าอ่ะนี่ยังไม่หมดนะถ้าเรามีพอจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปนี่เราเป็นการทําบุญไปแต่ถ้าเราหมดแล้วไม่ช่วยเขาไม่ได้แล้วก็บอกเขาดีๆก็แล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งหน้าไม่มีแล้วเนะพราะมันหมดแล้วก็บอกไปตามความเป็นจริงก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปโกรธเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เมื่อเรายัางอยู่ร่วมกัน อยู่นะครัถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้ามันถึงนขีดที่เราไม่สามารถช่วยเขาได้ก็พูดกับเขาดีๆว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะทั้งน้าช่วยไม่ได้แล้วนะก็บอกเข้าไปแล้วพอเขามาขอเราก็บอกเข้าไปว่าไม่มีแล้วนะครั้ที่แล้ก็พูดแนละ้วมันก็จบไม่ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องโกรธเกคืองกันแต่เขาจะไม่พอใจเราก็ห้ามเขาไม่ได้ซึ่งมันเป็นกิเลส ข, ของเขา เขาเคยได้เขาก็อยากจะได้พอเขาไม่ได้เขาอาจจะโกรธเราก็ได้ก็อย่าไปโกรธกับเขาก็แล้วกันล่อยเขาโกรธไปข้างเดียวคำถามจากคุณเดอะมัลติเวอร์ชัูนิตี้ครับพระอรหันต์จิตไม่ส่งออกแล้วหรือครับหรือส่งออกได้แต่ไม่ยึดไม่ถือครับกราบขอบพระคุณครับก็เป็นจิตที่ไม่มีความโน้มความกดความหลง ส่งออกไปหาลูกเสียนกินแล้วก็ไม่ได้โลภเห็นกระเป๋าเห็นน้องเท้าก็ไม่ได้อยากได้เห็นรถเก๋งก็ไม่อยากได้เห็นเครื่องบินก็ไม่อยากได้เห็นเงินกองทัพปุ่เขาก็ไม่อยากได้อันนี้เห็นได้เห็นได้ทุกอย่างแบบที่คนอื่นเห็นได้ต่างกันตรงที่ไม่มีความโลภทำอยางไม่มีความโกรธใครใครดา่าใครพูดไม่ดีกครจะทำอะไรไม่ดีก็ต่อใครล่วงเกินสถาบันหรืออะไรก็เป็นเรื่องของเขา ก็รับรู้เฉยไปนั่นเองแต่ไม่มีไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ตอนเองไปรับรู้ด้วยคำถามจะกคุณห่งฟ้าครับเราจะปล่อยวางสิ่งที่ฟุ้งซ่านในจิตใจได้อย่างไรครับ น, นี่ใช้คำว่าในารพุโทโธพุทโธหรือส่วนเอทีพีโซไปเวลามีความฟุ้งซ่านในจิตก็พุทโธพุทโธพุทโธไปตนกว่มันจะสงบหรือส่วนเอทีพีโซไปจนกว่มันจะสงบก็ได้ คำถามจากคุณพิชัยครับการเรียนถามครับการละสังโยชน์ข้อาาศีลพรตปา마ตคือการต้องมีศีลห้าที่บริสุทธิ์โดยไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยใช่ไหมครับแล้วต้องมีกุศลกรรมบทสิบเพิ่มด้วยอีกไหมครับคือการการละข้อสังโยชน์สิะระพัตจปรมา마ตนี้คือการเห็นว่าการกระทำอะไรต่างๆที่เป็นเป็นโทษเป็น ละลายต่อจิตใจก็คือการทําบาบนี่เมื่อเห็นว่าการทําบาบนี่เป็นตัวที่เป็นโทษก็รักษาสีหน้ให้บ่อยสุดธิ์ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเวลาจิตใจเรามีความทุกข์ใจนี้สามารถโยนความทุกข์ใจนี้ไปให้กับการทําบาปของเราอย่างไดอย่างเนี่ยโดยเกิดจากความอยากของเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทํา ทำพิธีกรรต่างๆเพื่อจะทําให้เราสบายใจขึ้นเช่นไม่สบายเรารักษายังไม่หายก็ต้องต้องไปบนบาหรือไปทําพิธีอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้เราคิดว่าเราจะทําให้เราร่างกายเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ถ้าเป็นพระโสด า, บ, าบันนี้ทันจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ร่างกายว่าเป็นธรรมดาที่ร่างกายต้องเจ็บคไายได้ป่วย แะต้องตายไปในที่สุดท่านก็เลยไม่ไปวุ่นวายใจกับการไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อกำจัดความไม่สบายใจแล้วท่านก็รู้ว่าความไม่สบายใจทันก็เกิดจากการทำบาปท่านก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดท่านรักษาสีหน้าให้บรสุดแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับขั้นกุศลกุศ ล, ลกรรมบททักสิณประการอันนี้จำจาไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง ในเรื่องการพูดนี้ท่านก็ยังอาจจะพูดเพรอเจ้บางก็ได้พูดคําอยากบ้างก็ได้แต่ท่านจะไม่พูดปดนโดยเด็ดขาดคำถามจะคุณใจครับกราบธรรม ศ, ศักาิพระอาจารย์ค่ะโยมีคําถามอยากทราบว่าพระโสดาบันจะยังเผอเจตนาฆ่าสัตว์เล็กๆตัวอย่างเช่นมดได้อยู่หรือไม่คะหากมีเงื่อนไขมางคับให้ต้องแลกกับชีวิตตนเองสมมุติถ้าไม่ฆ่ามดตัวเองต้องตาย พระโสดาบันจะยอมตายเพื่อรักษาศีลให้หมดจดหรือไม่คะเป็นคําถามสมมุติขึ้นเพื่อต้องการทราบว่าผู้บรรลุโสดาบันจะต้องมีจิตมั่นคงในศีลห้าแน่วแน่ในระดับถึงขั้นยอมตายถ้าจะต้องให้ฆ่ามดสักตัวต้องแน่วแน่ถึงระดับนั้นหรือไม่หรืออาจจะศีลด่าพร้อยไปบ้างเพียงเล็กน้อยหากพิเคราะห์แล้วมีเหตุผลจําเป็นไม่คุ้มเสียคะ่ะคือท่านเห็นการการะทำบางไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือจะมากนี้มันนําไปสู่ หรือผลที่ไม่ดีต่อจิตใจและท่านมองว่ายัางไง ร, ร่างกายก็ต้องตายอยู่ดีงั้นการที่จะรักษาป้องกัน ร, ร่างกายและการกระทําบังนี้ท่านจะไม่ทําโดยเด็ดขารไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์เล็หรือสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ตามเรื่องบุคคลก็ตามท่านถาลีกได้ก็หลีกลบได้ก็หลบแต่ถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ท่านก็จะไม่มีการไปทําร้ายทุกนั้นทาน่ากจะยอให้เขาทาร้ายคนอื่น คำถามจากคุณดวงตาครับปราบธรมัตการถามค่ะหากเราต้องฆ่ามดเยอะๆแบบจําเป็นบาปมากไหมคะเวลาทําทีไรไม่สบายใจค่ะก็คิดว่ามดที่เราฆ่าจะต้องทาให้เราเกลับไปเป็นมดฆ่า ม, มดสิบตัวแล้วก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดสิบสิบครั้งให้เขาฆ่าเราเรนยิงฆ่ามดน้อยครั้งนิดเดียวจะต้องเรีนยนไหวตายเกิดเป็นมดในโลกีกดกี่ชาติกี่ครั้งกันกว่าจะพ้น จากการเป็นสัตว์ใเวลาช้านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องใช้บาปกรรมของหนึ่งไปก่อนการมนตัวเดียวก็กลับไปเกิดเป็นมนตครั้งเดียวการมนน้อยตัวก็กลับไปเกิดเป็นมด น, น้อยครั้งคำถามจากคุณเปตองครับถ้าจิตมันคิดจะทําอนันตริยกรรมแต่เราไม่อยากจะคิดหรือจะทําแล้วมันจะเป็นอนันตริยกรรมไหมไม่เป็นหรอกถ้ายังไม่มีการกระทํำต า, ามวาจาและฐานกาย เรามีการกระทำการทางกายทางวาจาก่อนถึงจะเกิดเป็นกรรมนี้มาได้นั่นนะเป็นความคิดการเดินเพลินถือว่าเป็นอันุศลซึ่งเราก็ไม่ควรจะทำตาแต่เรารู้ว่ามันไม่ดีคําถามจากคุณอินวอนครับกราบสาการะถามพระอาจารย์หากผมดื่มสุราแต่สามารถกําหนดจิตบริกรรมพุทโธโดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นอย่างนี้ได้บุญไหมครับ เราไม่รู้นะว่าดื่มชวราเราจะสามารถกำหนดจิตได้หรือเปล่าเพราะขนาดไม่ได้เดื่มชวรายังกำหนดไม่ได้นะ่ังก็แต่ถ้าคุณบอกตามที่คุณทูดนี่ว่าเดื่มชวราแล้วยังกำหนดจิตไปเลยครับพีโตเราไม่คิดถึงนรื่องอื่นด้ที่มันอยู่ที่ว่าได้มากได้น้อยได้ได้นานหรือได้ไม่นานด้วยถ้าได้แค่2วินาทีนี้มันก็มันก็ไมนรู้มันจะไป่รู้จะได้เปอนยังไง จะได้บุญนี้ต้องให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมานั่นอย่างนั้นจะใช่เราเรียกว่าบุญสาเด็จบุญของสมาธิถึงจะสจําเร็จได้แต่ถ้ายังอยู่ในขั้นบริกรรมอยู่จิตยังไม่สงบนี้ถือว่าอยู่ในขั้นกำลังหุงข้าวข้าวยังไม่สุกยังเราข้าวนั้นมากินไม่ได้ไดผลบุญที่ได้จากสมาธินี้ต้องได้เมื่อจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธินะ จิตสําหรับแล้วเกิดความสุขใจอีกใจขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ถือว่าหุงข้าวยังไม่สุขข้าวที่หุงมันงอามากินไม่ได้ยังยังไม่ได้ดุญยังไงเพราะยังยังกำลังสร้างบุญอยู่แต่บุญยังไม่สำเร็จคำถามจักคุณวิสัยครับการปฏิบัติธรรมแบบเพ่งกระสินคืออะไรครับไม่ทำได้ไหมขอนั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับ ก็เป็นวิธีนั่งสมาธิอีกวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ถนัดทางนี้ระเสนก็คือการระลึกถึงสีต่างๆเช่นสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองคนบางคนเาสามารถมโ น, โนสีขึ้นมาในใจได้นึกถึงสีได้ดับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวแล้วก็เพ่งอยู่กับสีเขียวทจะห้าพจิตสงบอันนี้ก็เหมือนกับการเพ่งดูเรมหายใจเข้ากอน แต่ว่าแทนที่จะใช้นมหายใจก็ใช้สีแทนแล้วแต่แล้วแต่จริตแ้วแต่ความถนัดของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี่มีหลากหลายผ่านมาหลายภพหลายชาติอาจจะได้พบครูบาอาจารย์ต่างๆที่สอนวิธีต่างๆกันอาจจะติดนิดสัยการฝึกเพ่งกรสินมาก็ได้บางคนก็ติดนิดสัยการจเจริญนมานานั้สติมาบางคนก็ติดนิดสัยการดูมลมหายใจเข้าออกมา เราก็ดูนิสัยของเราแล้วกันว่าเราทบบนนําแบบไหนได้ล้วก็ทําแบบนั้นไปวิธีทําจิตให้สงบนี่มีอยู่สี่สิบวิธีหรือว่ากรรมฐานสี่สินี่ไม่จำเป็นจาต้องดูลงอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียววิธีอื่นก็ยังมีอย่จต้องมีครูสอนคําถามจากคุณยอดชายครับ น, นักมศการพระคุณเจ้าเวลาสวดมนต์มักหาวนอนและขนลุกเป็นเพราะอะไรครับ แต่พ อ, อมันอยากจะนอ น, นสิลืมเท้าครับแล้วอย่างนี้เป็นทํำยังไงดีครับอาจารย์ลุกขึ้นมาเดินแล้วลุกขึ้นมาเดินลูกขึ้นมนเดินจงพอก่อนแล้อไปส่วนในที่ที่น่ากลัวเช่นไปส่วนในป่าชา้าหรือไปส่วนที่ข้างเมรุรับประกรันได้ว่าจะไม่หา่าจะไม่ง่วอครับ คำถามจากคุณชนาทิพย์ครับการเรียนถามค่ะนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบรู้สึกว่าจิตจะแยกออกมาจากกายพอตามรู้ตามดูอาการนั้นหายไปอ๋อนี่ถามแล้วขอสั่ครับอาจารย์ครับจากคุณสุธีรัตน์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับวิธีปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันต้องทําอย่างไรบ้างครับต้องปล่อยวางร่างกายกับเวทนาความรู้สึกทางร่างกายให้ได้คือร่างกายเจ็บก็ไม่รู้อุ่นวาย ร่างกายจะตายก็ไม่วุ่นวายเฉยๆไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ปวของร่างกายปล่อยวางได้ไม่มีความทุกข์คำถามจากคุณอภิชาติครับกราบเรียนถามการพิจารณาจิตในจิตทำในธรรมพิจารณาอย่างไรครับการพิจารณาจิตก็คือพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนะ จิตเราในวันวันหนึ่งมันเปลีป่ยนไปนเรื่ อ, อยนะเบิกบานจิตเบิกบานเป็นจิตเศร้าห ม, มองจิตคุ้งซ่าเป็นจิตสงบนี้เป็นต้อพิจารณาว่ามันไม่เทียงเป็นอันนี้จากพิจารณาว่ามันเป็นดนัณฑาเราไม่สามารถไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการสั่งให้จิตเบิกบานผ่องใสทุกวันทุกเวลา่สั่งไม่ได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนอย่าไปสัมผัสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ อาการของสายก็อาจจะหายไปอาการเครียดก็จะเข้ามาแทนที่ได้นีใ้ใเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับจิตก็คือดูเฉยๆปล่อยให้มันเปลี่ยนไปอย่าไปกังวลอย่าไปวุ่นวายกับมันถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้มันเปลี่ยนแปลงใจเราจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการดูจิตนส่วนการดูธรรมก็ดูว่าในดูอริยสัจสี่ในว่าตอนนี้เราเห็นอริยสัจสี่ไหม เห็นว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจของเรานี่เกิดจากกิเลสตัณหาความอยากของเราหรือไม่เราถ้าเห็นแล้วเราสามารถใช้ปัญญาคือมากสติปัญญาคือ ม, มาก ม, มาดับมาราบความอยากได้หรือไม่ถ้ า, าละละได้เราก็จะเห็นนิโรธเห็นเห็นการดับของความทุกข์ปรากฏขึ้นมาอันนี้คือการเห็นธรรมอยู่ครัคำถามจากคุณแองเจิลครับ ถ้าเราได้ให้ความเมตตาคนที่เคยแกล้งและคนที่ทำให้เราเจ็บและสามารถคุยกับเขาแบบใจเย็นสามารถมองเขาแบบไม่รู้สึกเสียดายแต่ทราบว่าในใจเคยรักมากแต่ไม่เคยคิดจะเดินกลับแสดงว่าจิตเรานิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ถ้าเราแผ่มเมตตาได้ถ้าเราไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาก็ถือว่าจิตเร า, เราจิตเรามีความความสงบมีความสุขมีความเมตตาขเขา คำถามจากคุณนักธนันครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิช่วงใกล้แผ่เมตตารู้สึกน้ำลายเยอะเลยคลื่นค่ะแล้วค่อยแผ่เมตตาแบบนี้จะได้ไหมคะเวลานั่งก็ถือว่าไม่ก็ังจะเริ่มนั่งสมาธิแล้วเพราถ้าเราจะแผ่เมตตาเนี่ยเราก็ต้องออกจากสมาธิก่อนแต่ขอให้เข้าใจว่าการแผ่เมตตาด้วยการสวด น, นี้ไม่ได้เป็นการแผนเมตตาเป็นการเตือนสติเป็นการเป็นการสอนใจให้รู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่ เช่นไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกั น, ไ ม, น, น, กนไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันให้ความสุขต่อกันนี่คือการทานเมตตาที่เราสอนความหมายอยู่อยู่ตรงนี้เพื่อให้เราเอามาใช้ตอนที่เราพบปะกันหลาเราไปพบปะกันกะ็ถ้าเกิดมีเรื่องมีราากันก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันไปเลิกราเลิกรา ทำอะไรก็อย่าไปทําให้คนอื่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปเบียดเบียดกันหรือถ้าโกรธก็อย่าไปทําร้ายร่างกายเขาหรือไปทําร้ายจิตใจเขาเพื่อระบายความโกรธแล้วถ้าอยากจะให้เขามีความสุขก็ยิ้มให้เขาหรือมีขนมมีอะไรที่จะแบ่งให้เขาได้ก็แบ่งให้เขาไปเขาจะทําให้เขามีความสุขนี่แหละคือวิธีแผ่ที่แท้จริงต้องแผ่ด้วยการพบปะกันและมีการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวด คำถามจากคุณต้อยครับเวลานั่งสมาธิแล้วหลับโดยไม่รู้ตัวควรทําอย่างไรคะก็หลับไปเสร็จก็ตื่นขึ้นมาก็าวันหลังไมอย่างนั่งสมาธิแบบนั้นนะนัุงขึ้นมาเดินแสดงว่าสติเรามีน้อยนะจนั่งแล้วนั่งแล้วหลับไม่ได้นั่งแล้วสงบแสดงว่าเราต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวนลานั่งจิตจะได้ไม่หลับจิตจะได้สงบและมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาควรไปฝึก บวชตาอย่างไรก็ควรไปฝึกสติให้ ม, งมางๆก่อนที่จะมานั่งทําอะไรวันวันห น, นึ่งพยายามมีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆนี่คอยจดจ่อดูกอยู่การเคลื่อนไหวต่างๆขอ ง, งร่างกายอย่าปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องใ ห, ให้ไปอยู่ที่อื่นให้อยู่ที่ร่างกายและเวลานั่งสมาธิจะไม่หลับคุณพรเพ็นครับคาว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมีในคําสอนไห ม, ไมครับ เกิดพารหัสนี่ไม่ไปผดไม่ไปเกิดนครับคำถามจากคุณพิศพงครับกล่าวมัฐสการพระอาจารย์ขอสอบถามครับโยมขอคำแนะนำหนึ่งช่วงเวลาสิบหกดหสองนอพี่โอสดมนัน่งสมาธิจเจริญจิตต่อภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจ 2. ระหว่างนั่งก็มีความรู้ลมแต่ก็มีความคิดระหว่างนั้นนั่งนั้นเรื่องนี้บ้างเช่นการงานแต่ก็รู้ตามเฉยๆดึงจิตกลับรู้เฉรู้ลม สาจากนั้นก็มีภาพอาจารย์เคยสอนหนังสือตอนนี้ท่านบวชเป็นพระพิษเข้ามาในระหว่างการนั่งตามรูปภาพด้านล่างโยมแค่รับรู้จากนั้นภาพที่รูปก็หายไปแต่ภาพหลวงตามหาบัวภาพท่านนั่งสมาธิให้เห็นในการเจริญอาณาบ า, านณาสติแทนครับเขียนไม่ครบกับอาจารย์ควรจะอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไปไม่ต้องไปสนใจกับอาการกต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ให้อยู่กับลมไปอย่างเดียว ไม่ต้องไปสนใจเขาเรื่องราวต่างๆจิตถึงยาเข้าสู่สมาธิได้ถ้าไปสนใจเรื่องนั้นเ น, นีมันจิตก็จะทะเลยทะลายออกไปนอกทางแล้วจะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้คํททาถามจากคุณปิยาบุตรครับกาศนักกา ร, ากรครับขอถามพระอาจารย์ครับหากเรายังไม่เคยทําทานจนกระทั่งละโลภออกได้หรือทําให้เบาบางลงแล้วถ้าเราข้ามไปถือศีลและปฏิบัติภาวนาเลยโดยทําทานน้อยมาก เราจะละโลภออกได้ไหมครับแทนการทําทานคือการทําทานก็เป็นการลดวความโลภอยากจะได้เงินทังแต่ถ้าเราไม่มีความโลภอยากจะได้เงินทังแล้วเรามีมีเงินทําที่ไม่พอเพียงกับการทําทานเราก็ไม่ต้องทําทานก็ได้เราก็รักษาสีได้เลยนั่งสมาธิต่อไปได้เลย แต่ความโลภจะหมดประจากใยจยได้เนี่ไม่ได้หมดไปด้วยการทาทานด้วยรักษาสิ่งั้งหมดด้วยการภาวนาหรือขั้นขั้นปัญญาอย่างนีสามารถล่ความโลภกตก่างๆให้หมดสิ้นประจากใจได้เนื่นเรื่องการทําทานนี่เราอยากจะข้างไปก็ได้ถ้าเราถ้าเราต้องการไปปฏิบัติเพราะว่าการทาทานกับการปฏิบัติธรรมนี้มันมักจะขัดกันเพราะการทําทานนี้จะต้องออกไปเกี่ยวข้องต่ อ, อคนนั่นคนนี้แต่การ ปฏิบัติธรรมนี้เราต้องการอยู่คนเดียวยเราต้องรู้จักเวลาอเหมาะสมมากควรจะทำแบบไหนถ้าเราไปปฏิบัติธรรมไปเปรียบวิเวกอยู่คนเดียวตอนนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องการทําทานแต่ถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเขาเดือดร้อนก็ามาขอความช่วยเหลืออันนี้เราก็ถ้าเราทําทานได้ก็ควรจะทํา คำถามจากคุณพรม พ, พรครับกาเปียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโยมเป็นคนที่เข้าสมาธิได้เร็วด้วยการวิธีการตามลมหายใจเคยใช้คําบริกรรมไม่สามารถเข้าสมาธิได้เลยเมื่อเข้าสมาธิแล้วเมื่อเกิดสภาวะทําแตกต่างกันทุกครั้งไม่เคยซ้ํากันเลยเป็นปกติไหมเจ้าคะคําถามที่สองคือโยมก็จะคุยกับเพื่อนว่าสภาวะเป็นแบบไหนและเปลี่ยนกันถือว่าผิดไหมเจ้าคะกาเขอประคุณเจ้าคะ่ะ้ามีสภาวะแตกๆต่างๆก็ถือว่ายังไม่สมบงบนั่นยังไม่ถึ่งจุด ของสมาธิอั ป, ปนาสมาธิเพราะถ้เข้าถึงอั ป, ปนาสมาธินั้นมันจะมีสภาวะอันเดียวนั่ น, นคือเอ ก, ก, กัปกตาบุตรสัจจะวรุณแล้วก็มีโอเบกขามีความว่างมีความนิ่งสงบถ้ายังมีภาวะต่างๆนี้แสดงว่าจิตยังไม่สงบยังไม่ถึงถึงอั ป, ปนาสมาธิก็ต้องควรจะดูลงต่อไปยังอยากไปดูอาการในตาที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็ มีคำถามที่สองบอกว่าแล้วคุยสภาว่าแบบนี้กับเพื่อนแลกเปลี่ยนกันนี่ถือวผิดมั้ครับอาจารย์ครับก็ไม่ผิดหรอกที่คุยกันได้ถ้าถ้าเขารู้เรื่องเราก็คุยเขาได้แต่ถ้าไปคุยกับคนที่ก็ไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาอย่างที่มาคุยกันที่นี่ก็เหมือนกับมาคุยกันเพยจะได้อาจจะแก้ไขได้ถ้าคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราก็เห็นว่าเป็นการกระทําที่ยังไม่ถูกเขาก็จะได้บอกให้เราให้แก้ไขได้ แต่คนรักที่จะสอนครับพระอาจารย์ครัเวลาสวดมนต์ถ้าเราสวดแต่คําแปลได้ไหมคะได้เนี่ยนาเลยดีสิเพราะเราจะได้เข้าใจความหมายของบทที่เราสวดจะได้ทั้งสติและได้ทั้งปัญญาถ้าเราสวดภาษาบาลีอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้เพียงแต่สติแต่เราจะไม่ได้ปัญญาคําถามจากคุณจรครับสร้างพระได้บุญไหมครับ คือการสร้างพระก็เป็นทานอย่างหนึ่งการบริจาคทรัพย์เพื่อไปสร้างพระพุทธรูปนี่ก็ได้บุญได้บุญบุญที่เกิดจากกานทําทานคุณไปตองถ้าผู้ชายเป็นเพศที่สามสามารถบวชพระหรือสัมมเนนได้ไหมครับสามหรือสองประเภทสองแล้วประเภทสามนีประเภทสามเลยน่าจะหมายความว่าเป็นเป็นการเทยใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นครับอาจารย์ครับก็รู้สึกว่า ภาษาของพระสมัยวันก็จเป็นมันดอใช่ไหมมันดอถ้าบวชไม่ได้เพราะว่าเป็นแม้ร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเดี๋ยวก็ไปยุ่งกับพระไปเกี่ยวข้องกับพระมันก็จะทำให้การทําผิดศีลนง่ายขึ้นท่านก็เลยห้ามไม่ให้บวชแต่ถ้าเราไม่ไปบอกว่าเราเป็นประเภทสามประเภทสอเรามีร่างกายปกติเหมือนผู้ชายแล้วไปบวชเขาก็จะไม่ห้ามเขาก็จะให้เราบวชเพราะสังเกตดู มีกระเทยมาบวชกันเนยอะในช่วงหลังนี้แต่ความจริงเขาไม่ควรไม่ควรจะบวชมากกว่าคับผมคาถามจากคุณวิไล ร, รัตน์ครับกลาวต่อพิสการพระอาจารย์ค่ะอยากถามว่าตอนแรกที่ฝึกนั่งสมาธิจิตฟุ้งมากใช้เวลาฝึกนั่งนานมากกว่าที่จิตจะนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกตอนที่จิตนิ่งมีความรู้สึกว่าไม่อยากออกจากสมาธิอยากนั่งอยู่นานๆรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ถ้าเราฝึกไปนานวันเข้าจิตของเราจะพัฒนาขึ้นมากไหมคะเราก็จะชำนาญขึ้นเลยก็จะเข้าสมาธิง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นเราสงบได้นานขึ้นนั้นทำต่อไปนะจากคุณเพื่ชายครับขอโอกาสครับการฝึกสติด้วยการภาวนาพุทธโธพุทธโธโดยนับรูกประคำไปด้วยนี้เป็นแนวทางของทางพระพุทธหรือไม่ครับหรือควรใช้หรือควรใ ช, หรรใช้หรือไม่ควรใช้ครับ โน้มักจะไม่ใช้รูปประคำเเพราะมันประทำให้ใจทาให้ร่างกายต้องจิตต้องไปสั่การให้ร่างกายทํางานกับรูปประคำนี่เราต้องการจิตก็จะสงบได้ยากถ้าต้องการให้จิตสงบก็ร่างกายควรจะนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่กดทําอะไรจิตจะได้ไม่ต้องไปไปสั่การให้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็จะได้สงบได้ถ้าจิตยังสั่งการอยู่จิตก็จะสงบไม่ได้ จะไม่ได้ยอมใช้ร่างกายเวลานั่งสมาธินั่งสมาธิใช้จิตเพียงอย่างเดียวให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวก็พ อ, พอไม่ต้องใช้รูปประคับไม่ต้องใช้อะไรงคำถามจากคุณจิครับเคยได้ยินว่าการเริ่มฝึกปฏิบัติภาวนาต้องปฏิบัติในรูปแบบก่อนโดยการสวดมนต์แผ่เมตตาแต่ถ้าเรากําหนดรู้ลมหายใจก่อนนอนโดยไม่สวดปฏิบัติในรูปแบบได้หรือไม่คะ ได้การการปฏิบัติภาวนานี้ไม่ต้องไม่ต้องแผ่เมตตาไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิดูสมาธิใจได้เลยแต่อย่าอย่าอย่าทําด้วยการนอนในท่านอนก่อนนอนเพราะมันจะหลับมันจะไม่มีมันจะไม่ได้ผลจากการนั่งแต่การฝึกสมาธิถ้าต้อการได้ผลนี้ควรจะอยู่ในท่านั่งแล้วก็ให้มีสติอยู่กับ การบริกรรมพุโทโธหรืออยู่การลมหายใจเขา้าไม่สวดมนต์ก็ได้แตถ้าจิตฟุ้งซ่านก็อาศัยการสวดมนต์เพื่อทําให้จิตหายฟุ้งซ่านก่อนก็ได้แล้วก็ยังต่อเนื่อต่อก็ได้จากโคดแองเจลิลครับเรียนถามค่ะการนั่งสมาธิจนทุกข์เวทนาจนปวดฟันมันเกี่ยวกันไหมคะไม่น่าจะเกิดหรอกนอกจากว่ามันเรื่อมมันเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกัน คือฟันอาจจะมีปัญหามันก็เลยมาเกิดตอนที่เรานั่งสมาธิก็สังเกตดูว่ามันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิอึ้งปาหรือจะเป็นเฉพาะบางเวลาบางโอกาสเพราะโดยทั่วไปเท่าที่ผ่านมาก็นั่งสมาธิมาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เคยปวดฟันเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมันน่าจะเกี่ยวกับความบุกรองของฟันมากกว่ามันมีการบกกรอกมันก็เลยเกิดอาการปวดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนมันก็ปวดได้ คำถามจากคุณติทิมาครับถ้าต้องดำรงชีพด้วยการขายสุราจะมีผลอย่างไรคะครับค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาเดือดรายาเมาแล้วก็ไปทําร้ายผู้อื่นต่อไปท่านเอันนี้ อ, อาจจะกรรมมาทําร้ายเราก็ได้เมินเมาเขาอาจจะโกรธว่าเราไปขายของแพงก็เลยมาทุบข้าวของในร้านเราขึ้นมาก็ได้เวลาเกิดอาการเมินเมาขึ้นมาอันนี้ก็มีผลตามมาแบบนี้ แัม่ไม่ถือว่าเป็นาการกระทำบาปเพราะเราไม่ได้ดื่มชาลาในตัวเราเองเพี่แต่ว่าเป็นอาชีพที่ไปส่งเสริมให้คนเขาขาดสติแล้วจะทาให้ไปทำร้ายพูดได้คำถามจากคุณยอบภ า, าครับกาจัดปลวกด้วยวิธีใดเจ้าค้าที่จะไม่บาปให้ผู้ที่เขาอยากจะกาจัดกำจัดสิให้บริษัทกำจัดปลวกเนี่ยเขายินดี ถ้าเห็นงแต่แจ้งเขาทราบว่าที่บ้านมีปลวกแต่อย่าไปสั่งเขานะอย่าไปสั่งว่พี่มาช่วยกัมช่วยช่วยกำจัดปลวกที่ที่ที่บ้านให้หน่อยพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องพูดแบบมีอุบายพูดถามว่าพี่รับบริการกำจัดปลวกใช่ไหมที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าเขาอาสาไม่ไป็นไผมมาทำจัดการให้อันนั้นก็เป็นเรื่องของครับเราไม่ได้สั่งเขาเพราะถ้าสั่งเขาก็ถือว่าบาปถือเท่าถือว่าได้ทำบาปเท่ากับ ทำเองสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเขาอาสาสมัครมาผมทําให้ผมทําให้ใหอก็นนไม่บาปจากคุณสิริยุคนครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ในบทโอวาทปาติโมกการไม่ทําบาปทั้งปวงคือรวมถึงการไม่ขาดสติในการควบคุมจิตไม่ให้เกิดอกุศลจิต ด, ด้วยใช่หรือไม่คะคือมีความเพียรป้องกันจิตอยู่เสมอ ความจริงการกระทำบาปนี่หมายถึงทาทางวาจากายวาจามากกว่าก็คือไม่ทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์เป็นต้นแล้วก็ไม่ไม่เสกอบายมยุขด้วยไม่เดือดรุ่ไม่เป็นการพนันไม่เที่ยวตเตะ่เรื่องเรื่องเรื่องของทางจิตนี้อยู่อยู่ีกคำหนึ่งที่สอนให้ทำจิตให้ยิ่งอธิจิตเตจเายโยโคนีคือการ การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็ น, ปนการกระทําอีกคันงหนึ่งต่างจากบาปคําถามเจ้าคุณเอกภพครับนำ้ำระสการครับหลวงพ่อเป้าหมายสูงสุดของการบวชคืออะไรครับก็คือบนรลุพระ น, นิพพานน่องการบวชนี้ผู้ที่มาบวชนี้เป้าหมายก็คือการปฏิบัติทําเพื่อให้มนรรลุถึงขั้นสูงสุดของธรรมก็คือพระ น, นิพพาน ก็จะได้เช่นสุดการเรียนมาวตายเกิดเชียทิขออีกสองคำถามนะครับพระอาจารย์ครับจากคุณรัชนน์ครับก่าพระอาจารย์ทำไมเราถึงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคะก็เพราะว่าเรามีตาทิศคำถามนะครับจากคุณฟิ n เ e r s t y l ล์ไทยครับอยากบวชมากครับแต่ทั้งบ้านมีผู้ชายเพียงคนเดียวต้องดูแลแม่และครอบครัว การไปบวชระยะสั้นๆ ส, สักหนึ่งหรือสองพันษาจะพอขัดเกาเกิเล็ดได้ไหมครับทุกวันนี้ปฏิบัติทำอยู่กับบ้านครับอยากให้พระอาจารย์แนะนําด้วยครับคือมันไม่ใช่เวลามันอยู่ที่การปฏิบัติเัวราว่าเข้มข้นพอที่จะขัดเกาเกิเล็ได้หรือไม่ถ้าเราสามารถปฏิบัติอย่างเข้มเข้มขได้พระพุทธเจ้าบอกวันที่เจ็ดวันก็บรรลุทำได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีงั้นมันไม่ได้อยู่ที่เวลา ที่ความเข้มข้นของการปฏิบัติของเราว่าเราสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เข้มข้นขนาดไหนขอจะเข้านะครับอาจารย์คุณธีระครับจากธรรมศาสการพระอาจารย์ครับผมยังติดความคาดหวังอยู่ครับจะแก้อย่างไรดีครับก็ให้มองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคาดได้หวังได้แต่อาจจะไม่ได้ดังใจหวังก็ต้องสอนใจไว้ครับที่ต่อไปมนะันก็จะไม่คาดหวังเอง เหหวังว่าจะถูกหวยงวด น, นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เสมอมันอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้แล้วส่วนใหญ่มักจะไม่เกิดใช่มากกว่าพอเราเห็นควาไมไม่แน่นอนของอนาคตเราก็จะได้ไม่ไปหวังไปคาดนอนอยู่กับปัจจุบันก็แล้วกันเราทําเองดีกว่าอยากจะได้อะไรทำได้ก็ทําไปด้วยกาลังของเราเองแล้วเราจะได้อย่างแน่นอน อย่าไปหวังอะไรจากใครเราจะไม่เปหวังครับอาจารย์หมดได้นเวลาพอดีครับวนนี้เขาถามอีกเยอะเขาแต่หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอโอกาสอ่าแจ้งยอดผู้ฟังวันนี้นะครับมีคนฟังใน youtube รวมใน facebook ทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบสองคนใน y o u ู u เจ็ดร้อยสี่สิบห้าคนยูทูบเก้าร้อยสี่คนครับเพ้าส5ิบห้าคนครับวันนี้รวมฟังทำด้วยกันหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอดคนครับอาจารย์ครับยินดี I, ที่มีท่านให้ความสนใจขนาดนี้ก็หวังว่าคงเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เก um> ิดผลขึ้นมาต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งท um> ี่ท่านได้ยินได้ฟังในวันน huh ี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเชอญสาธุลาคุณร้อนและท่านผู้ฟังผู้ชมไป เพียงท่านี้ถ้าถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าครับกลับขอบพระคุณพระเจา้านะครับธรรมะสวัสดีรักาการครับผม